ในวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้มาจะได้แสดงธรรมกล่าวสังเวนิยะคือกล่าวเรื่องความสลดสังเวชใจแต่ไม่จริงหลวงพ่อของเราเนี่ยไม่น่าจะจากไปเร็วถึงขนาดนี้หลวงพ่อว่านะอายุเพียงเจ็ดสิบสามปีขาดช่วงไปอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ได้ยังเป็นเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเราแต่บัดนี้เมื่อท่านจากไปแล้วภูบาอาจารย์ที่จะมีปากมีเสียงออกเสียงเทศนาว่าการได้เนี่ยล่อยล้อลงทุกทีทุกทีเพราะนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยก็ไม่คาดไม่คิดเหมือนกันนะจะได้มาพูดมาแสดงทำแต่พอมาถึงมันหมดลงมาแล้วจะทํำยังไง ก็จําเป็นจะต้องได้พูดได้กล่าวถ้าไม่พูดไม่กล่าวก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันมันเป็นหน้าที่แล้วว่างั้นถเถอะเพราะฉะนั้นพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกๆท่านนะที่มาฟังในวันนี้ที่หลวงพ่อพูดหรือจะเป็นผู้แสดงธรรมเนี่ยสรุปแล้วก็คือเป็นนักเทศและเป็นนักสแสดงธรรมจาเป็นว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นข อ, อ, อให้พวกศรัทธา ญ, ญาติโยมฟังด้วยความจําเป็นเหมือนกันนะ่ะ อ, อศึกษาฟังดูซิว่า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 อุปทวะยธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติติวันนี้คณะสัทธาติโยมได้มาร่วมกันเพื่อสวดอภิธรรมหลวงพ่อทูลของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าหลวงพ่อทูลท่านมีอายุถ้าจะว่าไปแล้ว อายุของท่านยังไม่มากเพียงเจ็ดสิบกว่าปีท่านเป็นทรัพยากรของชาติศาสนาเป็นทรัพยากรของพระพุทธศาสนาท่านเป็นองค์เผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศและต่างประเทศมีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นที่ยอมรับของปวงประชาเป็นส่วนมาก คนนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็น่าเสียดายชีวิตของท่านน้อยไปแต่ถึงยังไงพวกเราปฏิบัติธรรมก็ต้องยอมรับไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับเพราะเหตุใดเพราะชีวิตของทุกหมู่เหล่าอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าเราจะเกิดมาอายุน้อยอายุมาก ก็พร้อมที่จะหล่นลงไปได้เหมือนกับผลไม้ผลไม้ที่เป็นดอกลูกเล็กๆก็หล่นได้พอลูกโตขึ้นมาแล้วก็หลดได้ลูกสุกก็หลดได้ทุกลูกต้องหล่นไม่มีผลไม้ลูกไหนในต้นนั้นจะอยู่ข้ามปีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ลักษณะผละไม้พ่อเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไม่มีวันตายต้องมีจุดจบด้วยการทุกคนเพราะเหตุใัเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังอย่างที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะพิจารณาดูด้วยหลักเหตุและผลในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้ความ สำคัญหรือว่าให้ความเตือนพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าที่ออกไปบวชนั้นท่านออกไปบวชทำไมเพราะเหตุไรถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วท่านเห็นความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายจากนั้นท่านก็ได้หนีออกไปจากเวียงวังขโมยหนีออกไปจากเวียงวัง ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาเหมือนกับไปค้นคว้าศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์วิชาแขนงต่างๆที่เขาจะนํามาใช้ก้เขาก็ต้องค้นคว้าก็ต้องศึกษาแต่สิทธัตถะท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าถึงหปีลองผิดลองถูกค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณ จตวิญญาณนี้ออกมาจากไหนทํำไม่อันนี้อันดับแรกท่านก็ได้รำสมาธิที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนกําหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบเกิดญาณทัทจนะระลึกชาติคนหลังได้ เรียกว่าปุเพเนวาสารุสติญาณระลึกชาติโหนหลังได้จากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ก็ไม่ลดละพยายามทำจิตให้สูงขึ้นรู้จิงเห็นจิงขึ้นจังหวัดจุตูปปาตาญาณการรู้จักการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าัดตว น, นี้มาจากไหนมาเกิดวิญญาณ น, นี้มาจากไหนมาเกิดมาที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปไหน อันนี้พระพุทธองค์ก็รู้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนที่วตูปะปาตญาณพอจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตัดสูรร้ทรแล้วอาสาวกายจยานญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระภทยของพระองค์แล้วพระองค์รู้ด้วยได้ด้วยพระองค์เอง ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะนำให้เรามาเกิดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเราได้กำจัดออกจากจิตใจของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดเป็นอีกแล้วเป็นอนันตากาศนี่แหละในวันเดือนหกเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมถ้าเราพิจารณาดูตั้งแต่แรกจนถึงที่สองฌานที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างที่ว่าน ตั้งแต่ปุเพในวาสารุจติยานจุตูปาตยานอาสาวะคยายานยานแรกในวันปุเพในวาสารุจติยานถ้าเรามาเปรียบเทียบคนยุคสมัยนี้เขาบอกว่าตายแล้วสูญตายแล้วไม่เกิดอีกแต่ถ้าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรม ในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านว่าปุบเพนเนวาสานุสติญาณระลึกชาติหผนหลังได้แต่ถ้าว่าพระพุทธองค์เกิดมาชาติเดียวแล้วกระจกไปพระพุทธองค์คงจะระลึกชาติไม่ได้คงจะไม่มีชาติที่แล้วเพราะฉนั้นถ้ามีชาติที่แล้วก็แสดงว่าพระพุทธองค์มีการเสวยพระชาติเป็นลําดับลําดับจากนั้นพระองค์ไม่ใช่จะเพียงแต่ชาติเดียวเท่านั้นระลึกถึงชาติก่อ น, อนๆไปอีก มากมายจนจะมาถึงชาตินี้ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนก็เหมือนกับเราวันนี้เรามาจากไหนเรามาจากบ้านถิ่นฐานของพวกเราเรามานั่งอยู่ที่นี่เรามานั่งมาได้ด้วยอย่างไรถ่านเรานึกย้อนหลังไปเราก็จะรู้ได้ว่าก่อนที่เรามานั่งที่นี่เรามาจากไหนเดินมาอย่างไงพวกเราก็จะรู้ได้อันนี้ก็เหมือนกัน ที่ย้อนไปดังหลังนั้นแหะคืออดีตอดีตออพอข้ามภพข้ามชาติแต่พระพุทธองค์มียา น, านรัศนะท่านมียานมีเครื่องไม้เครื่องมือละเอียดท่านจึงระลึกชาติข้ามภพข้ามชาติของพระองค์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติได้เพราะนั้นพระองค์จึงยืนยันว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีสิ่งที่ทาให้เกิดนั่นคืออะไรคือกิเลส ภายในจิตใจกิเลสคือราคะโทสะโมหะถ้าจะว่าไปแล้วในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ในร่างกายของพวกเรามีอยู่สองอย่างคือกายกับใจร่างกายในพวกเราเห็นนั่งอยู่ด้วยกันคือมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นพวกเรามองไม่เห็นแต่ทุกคนก็รู้แก่ใจว่า ใจของเรามีเรามีความรู้สึกเรามีความนึกคิดเรามีความรู้สึกในตัวของเราไอความรู้สึกนั่นแหละตัวนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจอย่างมากให้ความสนใจเป็นพิเศษส่วนรูปร่างกลางตัวนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ให้ความสนใจมากที่พระพุทธองค์ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าที่หปีนั้นพระพุทธองค์ไปศึกษาเรื่องใจ คือนมามธรรมตัวนี้นะท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามโนโปุพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนะพระท่านสรุปแล้วคือท่านสนใจเรื่องของใจถ้าจะว่าไปแล้วใจและ ว, วิญญาณของมนุษย์ชาติเนี่ยนะทิ่งที่รู้เนี่ยแหละคือวิญญาณนี่แหละ ที่พวกเราจะเกิดมาตามหลักที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเรียงลำดับหรือตรัสบอกกล่าวให้พวกเราได้ศึกษาก็คือวิญญาณคือใจดวงนี้หละนามธรรมเนี่ยเข้าไปยึดถือเข้าไปเกเาะ เ, เข้าไปถือปฏิสนธิในท้องโยงมันดาของพวกเราแต่ตามไจริงโยงมันดาของพวกเราที่จะเกิดปฏิสนธินั้น ท่านก็ว่ามีพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันจากนั้นก็มีเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งอยู่ในท้องของแม่จากนั้นน้ำมันงาหยดนั้นขุนพอขุนขึ้นมาแล้วก็เป็นสีน้ําล้างเนื้อพอสีน้ําล้างเนื้อขึ้นมาแล้วเป็นก้อนเนื้อพอเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาแล้วเป็นปัญจสาขา ขาสองแขนสองศีสะหนึ่งจากนั้นพอต่อมาก้อนเนื้อนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับจากนั้นก็วิญญาณคือดวงใจของคนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเกาะไปยึดไปถือในก้อนเนื้อนั้นจากนั้นก้อนเนื้อนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาก็มีครบทวนบริบูรณ์แสด ง, งการเคลื่อนไหวได้ เพราะวิญญาณเข้าไปยึดไปถือจากนั้นก็ครบกาหนดก็คลอดออกมาเป็นหญิงเป็นชายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านเลี้ยงลําดับให้พวกเราได้ศึกษาคือวิญญาณตัวนี้เข้าไปเกาะไปยึดในร่างกายของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนถ้าจะเปรียบเทียบให้ให้เห็นชัดแบบข้างนอกเราก็ร่างกายของเราเนี่ยคือพ่อแม่เป็นผู้ผลิต แต่ดวงวิญญาณเนี่ยคือคนขับรถเข้าไปขับรถในอู่ออกมาพอออกมาแล้วทีนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยคนขับรถก็ยังขับยังขับยังมืออ่อนเจ้าของอู่รถเขาก็ต้องช่วยดูแลประครบประงมดูแลรถคันนั้นช่วยพอรถคันนั้นคคนขับรถมีความสามารถดีแล้วเขาก็ปล่อยออกไปจากนั้นคนขับรถก็จะต้องดูแล รถของตนเอง เ, ออเวลามันหมดน้ํามันก็เติมน้ํามันเวลามันหมดน้ําก็เติมน้ํา เ, เวลามันหมดลมก็เติมลมจากนั้นคนขับรถก็ใช้รถคันนั้นตลอดทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นใช้รถทางนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่รถท่านรถเป็นรถเหล็กธรรมดาเราจะใช้เพียงสิบกว่าปีก็หมดสภาพแต่นี้ดวงวิญ ญ, ญาณ ที่มาอยู่ในร่างกายของพวกเราเนี่ยถ้าหากว่ามันไปตามปกติไม่มีอะไรโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนก็ได้เกือบเป็นร้อยร้อยกว่าปีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละวิญญาณตรงนี้คือมารักษาใจมาอยู่ในในร่างกายของเราแต่ทีนี้ต่อมาร่างกายของเราเนี่ยกับใจร่างใจของนั้นมาอยู่ในร่างกายอันนี้ เห็นว่าร่างกายตัวเองถูกอกถูกใจไปที่ไหนทําอะไรก็ได้ผลที่จุดดวงวิญญาณดวงนี้ก็มายึดว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของเราจริงๆว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราเป็นอะไรใจเป็นอะไรร่างกายเป็นอนั้นร่างกายเป็นอะไรใจเป็นอนั้นใครจะบอกดูถูกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ย ออรู้สึกว่าไม่พอใจแต่นี้พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าทิ่มาพูดถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าอยู่ในป่าถึงหกปีท่านมาค้นคว้าศึกษาเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมคือเจ้าของรถกับรถมันทำไมมันอยู่อย่างไรทำไมท่านสนสัยเรื่องนามธรรมในมากกว่าท่านบอกว่าร่างกายสังขารนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะ คือท่านทำสมาธิท่านแยกแยะท่านใช้ปัญญาพิจารณาไตรตองพิจารณาไขควรทบทวนแยกแยะดวาร่างกายไม่ใช่ของเรานะถ้ามันเป็นถ้าเป็นของเราเราก็จะบอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันก็จะบอกได้แต่บัดนี้มันบอกไม่ได้มันไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตาย มันจะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจของเรานี่ไปลุ่มหลงมัวเมาันต่ังหากไปยึดมั่นถือมั่นแต่ทั้งที่ร่างกายถึงจะทนุถนอมเลี้ยงอิ่มหมีพีมันขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนปกป้องดีขนาดไหนแต่ร่างกายของคนเราเป็นอื่นอยู่เสมอมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะนั้น อีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟใจของเราเมื่อมันแตกไปแล้วขอออกจากร่างกายนี้ไปยึดปฏิสนธิไปก่อพบภูมิอีกอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเข้าไปยึดเข้าไปเกาะปฏิสนธิในท้องของสัรพสัตหรือพ่อแม่ของพวกเราตัวนี้ตัวที่ พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าผู้ที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปสูงไปต่ํานั้นมันเนื่องมาจากอะไรนเนื่องมาจากกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคือสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าพวกเราไม่ได้เกิดมาแล้วไม่ได้สนใจไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าออกจากชาตินี้ไปแล้ว ก็ไปปฏิสนธิในพบภูมิที่ต่ําลงไปเพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่ได้ใยในการศึกษาไม่ได้ใยใจในบุญในกุศลเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ากลัมคือการกระทําตัวนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจ มีติหาอยู่หากินตามอัตภาพ เ, ออเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากนั้นก็ถึงจุดจบไปอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนำสั่งสอนให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าบุญกุศลมีอยู่ในจิตในใจแล้วนั่นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะ ในหลักของพระพุทธศาธสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับการเป็นอยู่เพียงเท่านั้นพระพุทธองค์บอกว่ามีช่องทางที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ถ้าว่าจิตใจใจของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายดูสิแยกแยะดูสิว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกต้องสลายกันร่างกายเรา ยังไม่ใช่ของเราพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเนินคำทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรน่นาวัดวาศาสนาจะเป็นของเราได้อย่างไรแหคือท่านให้พิจารณาว่ า, าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเพออราะเหตุใดท่านให้มองเหตุให้มองว่า ร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายขนาดร่างกายตัวเองยังได้ไปเผาไฟทิ้งยังเหลือแต่กระดูกใช่ไหมแล้วส่วนอื่นล่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้คือท่านให้พิจารณาให้ใจของเราอย่าลุ่มหลงอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายของตนเองอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งอื่นจนเกินไป แต่พวกเราได้พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลอย่างนี้แล้วถ้าหากเราไม่พอใจเราจะมีความโกรธให้แก่ใครก็ตามก็มีเบลกถึงเราจะโลภขนาดไหนก็มีเบลกถึงเราจะล่มหลง ม, ม, มัวเมากับสิ่งทั้งหลายสิ่งไหนไหนก็ตามก็มีเบลกเพราะเหตุไรพอเราได้คิดพิจารณาดูแล้วว่านี่แหละชีวิตของเรามีจุดจบ ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งอื่นล่ะจะเป็นของเราได้ยังไงแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องพยายามทำดีที่สุดในขณะที่เรามีธาตุมีขันอยู่แต่ถ้าหาว่าเราหมดธาตุขันร่างกายแตกกายสลายไปแล้วนั่นล่ละให้พิจารณ า, าใจนะอันนี้ก็คือพยายามสอนใจนะ สอใจสอนตัวผู้รู้นะ่ะคือนามธรรมตัวนั้นแนหะที่ว่าพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องนามธรรมนั่นแหละจุดนั้นแหะเป็นจุดที่สนใจในหลักของพุทธศาสนาให้ความสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการประพฤติปฏิบัติมีลากหลายมีหลายวิธีอย่างหลวงพ่อทูลของเราท่านก็สอนให้ใช้ปัญญานําหน้ามันก็ถูกคําของท่าน อ่เพราะเหตุไรเพราะว่าการวิวธีแนวการสอนนั้นมีมากมายหลายอย่างกำเหมือนกับวิธีวิธีหาทรัพย์ในโลกนี่แหละทำไร่ทำนาทำร้อยทำสวนทำมาค้าขายทำเครื่องยนต์กลไกลมีมากมายแต่สรุปแล้วก็คือได้เงินได้เงินอันนั้นคือจุดประสงค์ ในการหาทรัพย์อันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อที่หรท่านเคยแนะนาสั่งสอนว่าให้ใช้ปัญญาปัญญาใช้ในที่ทุกสถานทุกคนถ้าหาว่าไม่มีปัญญาจะรักษาสินได้อย่างไรจะรู้จักดีรู้จักชั่วได้อย่างไรรู้จักบาปปุลคุณโทษได้อย่างไรถ้าคนไม่มีปัญญาถ้าคนมีปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วจะรู้ได้เห็นได้ ว่าสิ่งนั้นควรสิร่งนี้ไม่ควรอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเบื้องต้นแต่หลวงพ่อทูลของเราฟังแต่นามฉายาของท่านเอย่างคิประปัญโยแนะปลว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้รู้ได้เร็วนะแต่ถ้าบางท่านบางคนนะการปฏิบัติอย่างท่านนะบางคนก็ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ บางทีก็ต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องประคับประคองไปด้วยสมาธิคืออะไรสมาธิคือทำจิตให้สงบซะก่อนทำจิตให้สงบคือทำจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนในเมื่อจิตสงบแล้วยังค่อยนามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแต่ถึงยังไงก็ไม่พ้นปัญญาอีกเหมือนกันถึงจะทำสมาธิแล้วก็วเถอะสมาธิคล้ายๆว่าหยุดนิ่งเท่านั้นเอง แต่ในความคิดของหลวงพ่อที่ท่านแนะนำสั่งสอนว่าตั้งใจแต่บางคนก็ว่าตั้งใจเพียงแถวนั้นก็เป็นสมาธิแล้วจากนั้นพอตั้งใจทุกคนก็วิ่งปุ๊บกามาหาหลักพอวิ่งเข้ามาหาหลักแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องปัญญาให้ฟังเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาสร้างขานร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะจิตใจของเรา ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะก็พิจารณาไตรตองไปด้วยเหตุและผลจากนั้นเท่าก็ได้สาเร็จมักสาเร็จผลแต่บางท่านบางคนพอใช้ปัญญาพิจารณาถ้าว่าจิตใจไม่สงบโดยมากพวกทันทาพิญญาเนี่ยพวกคิ ป, ปะพิญญาเนี่ยพวกรู้ไรเร็วเนี่ยมันอีกหัวหนึ่งนะเหมือนกับเด็กนักเรียนท่านเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือด้วยกันแต่บางคนหัวทือบางคนก็ หัวไวหัวไวก็คือนักเรียนในชั้นเนี่ยโดยมากนักเรียนเป็นสามสิบสี่สิบคนในห้องเรียนเนี่ยที่นักเรียนหัวเร็วหัวไวเนี่ยมีมีกี่คนแต่นักเรียนหัวทื่อเนี่ยจะมากกว่าเพราะนั้นเวลาครูจะสอนนักเรียนจะสอนในลักษณะเดียวกันแต่นักเรียนที่หัวไวที่หัวจำได้ดีนักเรียนเกรดเเนี่ยพวกคิปปิญญาเนี่ยพอเขาครูสอนเท่านั้น พอพูดครูอ้าปากสอนแต่นั้นนะ่ะเขาเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วจากนั้นเขาก็คุยกับคนอื่นได้ครูก็โมโหให้เขาเหือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเด็กนักเรียนมันไม่ฟังครูบางทีครูก็โมโหเข้นมาจะจับสอบในเดียวนั้นเหมือนกันนะจับสอบทั้งชั้นเลยทําไมมันไม่สนใจเรียนครูก็คิดว่าจะให้มันต ก, กนเหมือนนนะมันก็คะแนนนํนาโด่งอีกอย่างเก่าเพราะเหตุไร เพราะมันเด็กหัวดีพวกปัญญาเร็วพวกเกรดเอพวกคิด ป, ปัญญาพวกรู้ไดเร็วยแต่พวกหัวทื่อสอนคนนั้นมันก็ตกอีอย่างเก่าเเพราะเหตุไรเพราะมันรู้ได้ช้าเพราะฉนั้นการรู้ไดช้ารู้ไดเร็วตัวนี้แหะคนรู้ไดเร็วคือคนมีปัญญาจะแนะนําสั่งสอนทางปัญญาเนี่ยจะไปไดจะไปได้เร็วแต่ถ้าว่าสอนคนที่ ปัญญาไม่ดีหรือปัญญาทื่อเนี่ยเราจะไปสอนให้เหมือนกับเด็กที่มีปัญญานั้นมันสอนคนละแนวทางกันทนีเพราะต้องต้องสอนเรื่องสมาธิเทําจิตให้สงบก่อนนะอะจากนั้นค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรทางด้านปัญญาอย่างกรรมฐานห้านี่ยเกษาผมโลมาขนนค า, าเล็บทันตาฟันตะโจหนังร่างกายของเรามีมีหนังเป็น ที่้อมรอบใช่ไหมทะลกหนังเข้าไปเป็นไงมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกใช่ไหมเอจากนั้นเมื่อเมื่อเข้าไปข้างในแล้วเป็นยังไงมีตับมีลำไส้มีหัวใจในร่างกายของเราใช่ไหมอ่จากนั้นก็มีลำไส้มีกระเพาะอาหารอยู่ในลำไส้ใช่ไหมร่างกายของมนุษยชาติทุกคู่ทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่มีใครปฏิเสธเป็นอย่างนั้นทุกคน จากนั้นก็พิจารณาถึงเป็นโครงกระดูกก็ได้ยืดโครงกระดูกมนุษย์ของเราที่นั่งอยู่ด้วยการทั้งหมดนี่มีโครงกระดูกเป็นแกนกลางเป็นเป็นหลักใช่ไหมถ้าไม่มีกระดูกแล้วคนเราเนี่ยจะไม่นั่งนั่งไม่ได้อย่างนี้ที่นั่งได้อย่างนี้เพราะกระดูกอยู่ข้างในใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธอยกเหมือนกันเพราะนั้นร่างกายของมนุษย์มี ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีอาการสามสิบสองมีเอ็นมีกระดูกมีเนื้อหนังมังสาอยู่ในร่างกายของเรามีอาการสามสิบสองเพราะนั้นในร่างกายของเราเนี่ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองดูว่าร่างกายนี้อีกไม่นานจะต้องถึงจุดจบของมันเพราะนั้นใจนามธรรมานี่อย่าไปลุ่มหลงอย่าไปมัวเมา อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวเองจนเกินไปนะคือทําความเข้าใจกับใจตนเองจากนั้นจิตใจก็เมื่อพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนก็จะเกิดความเบืออเบ่อหน่ายคลายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นาจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการ ก็ว่าจิตใจของเราเนี่ยครูแจ้งเห็นจริงแล้วมันก็ถอดถอนมันไปอีกมิติหนึ่งมันไม่อยู่ในนี้และะ้วงะย่ะเธอพอกิเลสหลุดออกจากจิตใจแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละอันนี้คือเป็นสุดยอดของพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในการบาเพ็ญ ตั้งแต่ทานศีลภาวนารักษาศีลภาวนาสมาธิปัญญาเนี่ยมีที่สิ้นสุดการบำเพ็ญคุณงามความดีนั่นคือมรรคผลนิพพานถ้าถึงแดนแห่งพระนิพพานแล้วถึงจุดจบเพราะนั้นพวกเราถึงจะสั่งสมคุณงามความดีไปทีละน้อยละน้อยก็เหมือนกับเราเน้ำฝนตกลงมาจากท้องฟ้าทีละหยดทีละหยาดมาสู่ในมาสู่ตุง องของพวกเรามันก็พยายามพอกพูนขึ้นเรื่อยๆผลที่สุดก็เต็มได้อีกสักวันหนึ่งในข้างหน้าเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลก็เช่นเดียวกันพวกเราสั่งสมทีละน้อยละน้อยก็ตั้งใจและตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าขอให้เข้าไปเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกต่อไป อันนี้คือความตั้งใจนมีความมุ่งมั่นในจิตในใจของพวกเราเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลสมควรอย่างยิ่งทางว่าพวกเรายังไม่พ้นทุกข์ก็ยังเป็นเครื่องเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเราแล้วพวกเราไม่รู้จะพึงอะไรเหมือนกันนะเพราะเหตุใดเพราะว่าเราจะต้องคิด จะต้องเดินทางอีกจะต้องถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาพโพธิมาแสดงธรรมให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราก็อย่างที่หลวงพ่อทูลท่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นนี่แหละอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อเองก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะอยู่ชั่วงฟ้าดินสลายเหมือนกันคงจะไปอย่างหลวงพ่อทูล น, นี่แหละ หลวงพอ่อทูนเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รู้ได้เห็นอย่างที่หลวงพอ่อได้ยกเป็นบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าอเิจาวัสังขาราอุปทวะยะธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันตีติเนี่ยคือว่าร่างกายสังขารอนิจาเป็นของไม่เที่ยงอนิจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไปเที่ยงอุปทวะยะธรรมมิโนเกิดขึ้นมาแล้วก็ อย่างที่ผ ล, ลไม้อย่างที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบมีลูกเล็กลูกใหญ่ผลที่สุดถึงจะลูกไหนก็เถอะก็ต้องหล่นลงไปสู่แผ่นดินไม่มีลูกไหนจะอยู่ข้ามปีไปได้อันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในภพนี้ชาตินีเ้เกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ส่วนอื่นเสมอภาคกันเรื่องความตาย แต่มีแต่บุญกุศลเท่านั้น่ะถ้าว่าใครสั่งสมได้มากน้อยต่างกันถ้าพวกเราสั่งสมบุญมากแล้วก็จะมีความสุขในปรโลกภายภาคหน้าอย่างที่พระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปุญญาณิปรโล ก, กัจมิงปฏิฐาโหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นบุญกุศลนี่สมควรอย่างยิ่งพวกเราจะต้อง สั่งสมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นการพูดกันแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจบเพียงเท่านี้ด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้ประสบแต่ ค, ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกประการเทิน